เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวาคาโชภกวัตาธรรมโมธรมมะอันประภูมีประภากเจ้าจัดดีแล้วสันติทิโกอันภูปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง อากาลิโกไม่ประกอบใยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปะนญยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยู คือผู้รู้เพึ่งรู้เฉพาะตนอันพระธรรมคุณทั้งหกบทนี้ย่อมมีอยู่ในพระธรรมทั้งที่เป็นปริยัติธรรมคือเป็นคำสั่งสอนเป็นปฏิบัติธรรม ธรรมคือปฏิบัติเป็นปฏิเวทธรรมธรรมะคือรู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมดและรูที่เริ่มตั้งใจฟังธรรมตั้งใจเพ่งลุยใจพินิษพิจารณาธรรมะที่ ฟังและกําหนดไว้จดจำไว้และคบเจาะ่ยได้ทิฏฐิคือความเห็นอันได้แก่ทําความเข้าใจให้ถูกต้องย่อมเริ่มได้พระธรรมคุณไปโดยลาดับและเมื่อน้องนำมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจก็ย่อมได้พระธรรมคุณ จากปฏิบัติยิ่ยงขึ้นและเมื่อปฏิบัติก็ย่อมได้รับผลของการปฏิบัติขึ้นทันทีเมื่อกำหนดให้รู้จักผลที่ได้รับนั้นหรือแม้ยังกำหนดไม่ได้ก็ย่อมได้กระทรรมาคุณอันเป็นส่วนผลมากขึ้นโดยลำดับและดังที่เลกล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงหลักปฏิบัติในโพธิงศ์ทั้งเจ็ดเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในกรรมฐานทั้งปูงทั้งสมถะกรรมฐานทั้งมีปัสสนากรรมฐานและแม้ในด้านปริยัติ ซึ่งเริ่มขึ้นดยการฟังหรือการอ่านดังที่เด็กกล่าวแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสให้ใช้แนวปฏิบัติในโพธิงค์เจ็ดเช่นเดียวกันดังที่ได้สรัสไว้โดยใจความว่าเมื่อได้ฟังทรรมและตั้งใจระลึกถึงธรรมที่ได้ฟัง ดังนี้ก็เป็นอันเริ่มปฏิบัติในสติสัมโพชฌงค์องค์ของความรู้ร้อมคือสติคือความระลึกคือระลึกได้ถึงธรรมะที่ได้ฟังก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาและเมื่อใครครวนพิจารณาวิจัย เลือกเฟน้นก็คือให้รู้จักวันนี้เป็นส่วนที่เป็นอกุศลมีโทษนี้เป็นส่วนที่เป็นกุศลไม่มีโทษดังนี้เป็นต้นก็เป็นอันว่าได้เริ่มปฏิบัติในธรรมอวิชยะสัมโพชง และเมื่อวิจัยเลือกเฟ้นได้ดังนี้ที่ใจของตัวเองก็จะทำให้เกิดความเพียรละส่วนที่เป็นอกุศลมีโทษอบรมส่วนที่เป็นกุศลมีคุณก็เป็นวิจยะสมโพธิชงเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ ปีติความอิ่มใจปัสสัทีความสงบใจและกายสมาธิความตั้งใจมั่นสงบและอุเบกขาความเข้าเพ่งพินิจอยู่ในภายในในสมาธิที่ตั้งอยู่ในภายในเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าได้โพดชง ขึ้นไปโดยลำหลับสังเกตคอดังจะได้แสดงปติปฐานเป็นตัวอย่างโดยสรุปคือเมื่อได้ฟังจติปฐานซึ่งพระพุทธเจา้าตรัสสอนให้ตั้งสติหรือทำสติให้ตั้งในกายในเวทนาในจิต และในธรรมเมื่อลิบฟังได้กำหนดตามที่ทรงสั่งสอนก็ย่อมจะลึกได้ถึงสติปัฏฐานที่ทรงสั่งสอนนี้ในข้อกายกำหนดที่กายตามที่ทรงสั่งสอนกำหนดเวทนาที่เวทนาตามที่ทรงสั่งสอน กำหนดจิตที่จิตตามที่ทรงสั่งสอนกำหนดธรรมที่ทรรตามที่ทรงสั่งสอนก็ย่อมจะได้ทำวิจัยคือความเลือกเฟ้นธรรมขึ้นมาโดยลํำดับคือจะรู้จักกายตามที่ทรงสั่งสอนที่กายเวทนา ทำก็เช่นเดียวกันและจะรู้จักกายเวทนาจิตธรรมภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกและธรรมดาของกายเวทนาจิตธรรมคือเกิดดับและรวมกันทั้งเกิดทั้งดับเป็นอันว่าได้วิจัยที่จิตใจของตัวเองนี่เอง ให้รู้จักกายเวทนาธนาจิตธรรมตามที่ตรงตรัดจรนไว้ดังนี้และให้มีสติกำหนดให้รู้จักดังนี้แต่ให้พราดกิจออกเสียจากความยึดถือในกายในเวทนาในกิตในธรรมเมื่อเป็นตัวเราของเราอันเป็น ปัญหาอุปาทานและเมื่อกำหนดพิจนารณาลงไปแล้วเมื่อประมวลเข้าก็ย่อมจะได้ตัวสติที่เป็นตัวกำหนดนี้พร้อมทั้งวิจัยคือปัญญาที่เลือกเป็นนี้ว่า ย่อมรวมเข้ามาอยู่ที่ธรรมะคือย่อมรวมเข้ามาเป็นกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบ้างอัพยากัตรธรรมธรรมะที่เป็นกลางกลางบ้างทั้งหมดสำหรับกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นกลางกลาง ย, ย, ย, รร 5, ย, ย่อมมีอยู่เป็นกลางกลางเพราะตัวกายเองเวทนาเองจิตเองธรรมะส่วนที่เป็นกลางกลางคือขันธ์ห้าและอาจตนะทั้งหกย่อมมีอยู่เป็นกลางกลาไม่ใช่เป็นกุศลหรือไม่ใช่เป็นอกุศล รวมอยู่ในอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาอะไรทั้งหมดเป็นธรรมชาติธรรมดาซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตา่างๆแต่เพราะว่าบุคคล มีอุปาทานความยึดถือหรือมีสัญญา์ความผูกพันจึงได้เป็นกิเลส ข, ขึ้นมาที่จิตใจนี้เองทำให้บังเกิดความยึดถือที่เป็นอุปาทานบังเกิดความผูกพัน และเมื่อแสดงตามหลักของปฏิจจสมุปบาทธรรมะสี่อาศัยกันบังเกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาที่มีอวิชชาคือความไม่รู้จักสจัจจะที่เป็นตัวความจริงนั่นเองจึงทําให้บังเกิดโมหะคือความหลงหลงอยากที่เป็นสัณหาหลงยึดที่เป็นอุปาทานและหลงผูกพันที่เป็นตัวสัญโยช ญ, ญ์ และโดยเฉพาะก็คือมีความหลงยึดถืออยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมโดยตรงก็คือขันธ์ห้าและอายตนณะซึ่งเป็นกลางๆนี่แหละมีความหลงยึดถืออยู่่็เป็นตัวเราเป็นของเรา เมื่อเป็นดังนี้จึงได้บังเกิดความทุกข์เลือดร้อนต่างๆ ต, ตั้งตนแต่ชาติทุกทุกคือชาติและเมื่อมีความเกิดก็มีฉราความแก่มีมรณะความตายมีโศกะมีปริเทวะเป็นต้นรุฉะฉนั้นพระพุทธเจา้าจึงได้ตรัสสอน ให้ใช้สติกำหนดและวิจัยไปในสิ่งที่ยึดถือเหล่านี้ตั้งตนแต่กายมาเวทนามาจิตและมาถึงทมเองเพราะว่าทั้งสี่นี้ก็เป็นสิ่งที่รวมปันอยู่ประกอบปันอยู่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ จึงปรากฏเป็นอัตภาพภาวะเป็นตัวเราเป็นของเราที่เรียกกันว่าอัตภาพหรืออัตตาตัวตนหรือตัวเราของเราโดยที่ท้ายสติกำหนดดูให้รู้จักกายเองเวทนาเองจิตเองและธรรมะ คือขันห้าอาจจะน่าหกเองดูให้รู้จักภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกและเมื่อดูให้รู้จักดูให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมดังนี้ธรรมดาของกายเวทนาจิตธรรมก็ย่อมจะปรากฏคือเป็นความเกิดเป็นความหลับทั้งนี้จึงสุดจึงสุดแต่สติ สติที่กำหนดทันหรือไม่เมื่อกำหนดทันเป็นความรู้ทันเกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมจึงจะปรากฏและปัญญาก็จับรู้ญาณคือความอย่างรู้ก็จับรู้รู้จักเกิดรู้จักดับเป็นความรู้เท่าและ สติที่กําหนดตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไวน้นี้จะกําหนดได้ทันได้ก็ต้องอาศัยสตินี้เองนำจิตให้ตั้งมัน่นว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมคือขันธ์ห้าอาญะมีอยู่ยันข้อที่ว่ามีอยู่นี้ก็คือว่ากําหนดให้รู้จักได้ ว่านี่กายนี่เวทนานี่จิตนี่ธรรมที่ตัวเองที่กายจิตนี่เองเมื่อจับได้ดังนี้จึงจะเป็นสติที่กำหนดได้ว่ากายมีอยู่เวทนาจิตธรรมมีอยู่ไม่หายไปไหนถ้าหากว่า กายเวทนาจิตทําหายไปจากสติก็แปลว่าสติกำหนดไม่ได้เมื่อสติกำหนดไม่ได้จึงไม่อาจที่จะจับเกิดดับของสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนอย่างการดูนาฬิกาตาจะต้องจับคือเห็นเข็มนาฬิกาเห็นตัวเลขบอกเวลา ก็ว่ารู้ว่านาฬิกามีอยู่คือนี่นาฬิกานะคาว่านี่นาฬิกานั้นก็คือว่านี่เป็นคำเข็มสั้นนี่เป็นเข็มยาวนี่เป็นตัวเลขบอกเวลานั้นเวลานี่เนื่อเป็นดังนี้แล้วยึงจะรู้เวลาต้างเวลาเท่าไหร่ถ้าหากว่านาฬิกาไม่มีคือว่า ไม่พบนาฬิกาไม่เห็นนาฬิกาดังที่กล่าวแล้วการรู้เวลาก็มีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จึงต้องอาศัยสติกับสมาธิรวมกันคืออาการที่สติกำหนดจับอยู่ตั้งอยู่ตัวตั้งนี่แหละคือเป็นสมาธิกำหนดก็คือตรวสติ อย่างสติปฐานนี่ต้องรวมกันสติคำหนึ่งฐานะหรือฐานคำหนึ่งสติก็คือสติกำหนดฐานตั้งก็คือสมาธิดฉะนั้นสติตั้งก็คือสติประกอบด้วยสมาธิตั้งสติก็คือว่าสมาธิอันประกอบด้วยสติเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า สติคือสติฐานก็คือสมาธิหรือสติปัฏฐานรวมันเข้าคือสติกับสมาธิจะต้องประกอบกันดังนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นเมื่อจับปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งเอาเพียงข้อกายเท่านั้นข้อใดข้อหนึ่งแต่ให้สติกับสมาธิรวมกันอยู่ดังที่กล่าวเป็นสติปัฏฐานแล้ว เพื่อนก็จตามมาเองเป็นเอกภาพคือความที่มีเป็นอันเดียวกันเป็นทางเดียวกันกายเวทนาจิตธรรมรวมกันอยู่ก้อนเดียวกันทั้งหมดเหมือนอัตภาพนี้กายใจนี้หรือแม้กายเองก็ดีใจก็ดีหรือรวมกันเป็นกายใจก็ดีก็รวมกันอยู่เป็นก้อนเดียวกันทั้งหมด โดยฉะนั้นก็ไม่ต้องลังเลสงสัยแต่การอธิบายนั้นก็ต้องพูดกันไปจำแนกกันไปแต่การปฏิบัตินั้นจับเอาที่ต่างอันหนึ่งแล้วก็รวมข้ออื่นเข้ามาเองไม่ต้องไปสงสัยลงงังเลว่าจะยุ่งจับขึ้นมาอันหนึ่งแล้วขอให้สติกละสะมาธิรวมกันเท่านั้นในอันหนึ่งนั่นแหละอันอื่นจะรวมเข้ามาหมดและเมื่อรู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิจมีอยู่ธรรมมีอยู่หลังนี้ ทุกอย่างก็จะปรากฏตลอดจนถึงเกิดดับและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะจับได้ว่าธรรมดาเป็นอยู่ดังนี้แต่ว่าเพราะเหตุที่มีอุปาทานความยึดถือว่าตัวเราของเรามีสัญญชต์คือความผูกพันใจมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งที่ยึดถือเมื่อเป็นตัวเราของเราและกายเวทนาจิตธรรมมาถึงข้อขันห้าก็เป็นอุปาทานเป็นสิ่งที่ยึดถือขึ้นมาทั้งหมดอาจารณะนะก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือเข้ามาทั้งหมดเพราะฉะนั้นลุที่เจา้ายังได้ตัดชี้ให้รู้จักว่าข้อที่ตรัดสอนมาโดยลำดับในสถิติปัฏฐานนั้นข้อกายข้อเวทนาข้อกิจขอ้อธรรมซึ่งเริ่มโดยรีวอร์ดแล้ว ม, มาขันท้านั่น ก็เพราะเหตุว่ามีอุปาทานความยึดถือนี่เองจึงได้บังเกิดเป็นรีบอดขึ้นมาเป็นอกุโสนธรรมขึ้นในจิตคนเราจึงต้องมีจิตใจที่มีอีบอดประจำอยู่อันทำให้ทำสมาธิได้ยากและทำให้เกิดปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริง ในอยากก็เพราะนิวรณ์นี่เองทำไมยิ่งต้องมีนิวรณ์ก็เพราะเหตุว่ามีอุปาทานในความยึดถือและอุปาทานความยึดถือนี่เมื่อประมวลทุกทุกอย่างเข้ามาแล้วที่จัดมาทั้งหมดข้อกายก็ดีข้อเวทนาก็ดีข้อจิตก็ดีมาจนถึงข้อนิวรณ์นั่นก็ดี กลประมวลเข้าในขันห้าอันเป็นอุปาทานะขันคือขันเป็นให้ยึดถือคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือมีประมวลเข้ามาทั้งหมดที่จัดมาตั้งแต่เบื้องตน้นกายก็ดีเวทนาดีจิตก็ดีธรรมะคอนีวอนก็ดีก็ทําไมยึงต้องมีดีวอก็เพราะเหตุว่ามีอุปาทานคาือว่าไปถือ และอุปาทานความยึดถือนี่เมื่อประมวลทุกทุกอย่างเข้ามาแล้วที่ตัดมาทั้งหมดข้อกายก็ดีเข้าเวทนาก็ดีข้อจิตก็ดีมาจนถึงข้อลีวอนนั้นก็ดีเราประมวลเข้าในขันห้าอันเป็นอุปาทานะขันคือขันเป็นที่ยึดถือคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือ นี่ประมวลเข้ามาทั้งหมดที่ตัดมาตั้งแต่เบื้องต้นกายก็ดีเวทนาเขดีจิตก็ดีธรรมะคอนิวรก็ดีก็รวมเข้ามาในขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการคือเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารปัญญาณแเป็นที่ยึดถือตันอนนว น, น, น, น, นิวร์วนั่นเองก็เป็นตัวสังขารในขันห้านี้เองอาการที่ปรุงใจหรือใจปรุงและ จึงได้ตรัสชี้ให้ชัดต่อไปว่ามาจากอาจรระภายนอกและภายในมาประจบกันของทุกๆคนนี่แหละจึงได้เกิดสัญญ์คือความผูกพันใจขึ้นเป็นการเริ่มตนของอุปทานสัรหาอุปทานนี่แหละคือตัวสัญญชต์ก็หากว่า อาณาจักรทั้งสองนี้ไม่มาประจวบกันสัญญอดก็ไม่บังเกิดตันทาวาทานก็ไม่บังเกิดแต่เพราะเหตุที่อายาจักภายในภายนอกนี้มาประจวบกันตันทาวาทานจึงมันเกิดขึ้นคือเป็นตัวสัญญอดเพราะฉะนั้นคนเราจึงได้ มีการเพิ่มสัญญ์ความผูกพันใจซึ่งเป็นตัณหาอุปาทานในสิ่งทั้งหลายหรือรเรียกโรมันในโลกนี้หรือในโลกทั้งสิ้นนี้อยู่เสมอๆ เ, เป็นประจำเป็นประจำเป็นการเพิ่มพูนกิเลส คือตัวตัณหาอุปาทานเองสัญญต์เองตลอดถึงวิชชาให้มากขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงทำให้คนเรานั้นมีจริตต่างๆเป็นตัณหาจริตบ้างทิฏฐจริตบ้างอย่างหยาบบ้างอย่างละเอียดบ้างหรือแม่ที่จำแนกโดยประการอื่น เพราะฉะนั้นรูกพระเจ้าจึงได้ตรัสสอนสติปัฏฐานนี้นี่แหละให้ใช้สติใช้สมาธิสติซึ่งเป็นสติฐานก็คือสมาธิรวมเป็นสติปัฏฐานกําหนดให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมรวมลงที่เกิดดับซึ่งเป็นธรรมดาให้สตินี้รู้ทันทันกายทัน เวทนาทันจิตทันธรรมะทันอาจตนะภายในภายนอกที่มาประจอบกันที่วัดทันนั่นก็คือว่ากําหนดได้ด้วยจิตตั้งว่านี่เป็นนี่เจนี่เป็นกายนี่เป็นเวทนานี่เป็นจิตนี่เป็นธรรมคือนี่เป็นนิวรณ์นี่เป็นขันธ์ห้านี่เป็นอาจตนะนี่เป็นสัญญ แนะเป็นสิ่งที่เกิดดับความเกิดดับนั่นเป็นธรรมดาที่ปรากฏอยู่เองของสิ่งเหล่านี้ไม่เคยไปสร้างให้บังเกิดขึ้นมันเกิดอยู่เองเป็นปัญญาที่เป็นความรู้เท่าดังนี้แล้วเมื่อสติกับปัญญาดังกล่าวมันเกิดขึ้นเมือ่อใดสัญญอนก็ไม่บังเกิดอุปาทานในสิ่งนั้น น, นก็ไม่บังเกิดหรือถ้บาบังเกิดแล้วก็ดับไป เมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงเหลืออยู่แต่ที่เป็นส่วนธรรมชาติธรรมดาที่เป็นไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของตัวเองเช่นเมื่อตากับรูปมาประจบกันก็เกิดการเห็นก็เป็นวิญญาณเป็นเมตนาเป็นสัญญาเป็นสังขารไปตามเรื่องเป็นกายเป็นเมตนาเป็นจิตไปตามเรื่องและก็ไม่เป็นนิวรณขึ้นมา เพราะเหตุเหล่านี้เพราะว่าเกิดความปล่อยวางได้เกิดความดับได้โดยอำนาจของสติปัญญาดังที่กล่าวเพราะฉะนนพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้มีสติกำหนดตั้ง ในกายในเวทนาในจิตในธรรมและให้มีธรรมวิจัยใายพินิษพิ จ, จรารณาคบเจาะให้มีความเข้าใจและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะเกิดปหาระคือการละขึ้นเกิดภาวนาคือการอบรมขึ้นมาคือจะละสัญญน์ละทันาอุปาทานได้ ละนิวรณ์ได้การละและการอบรมนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเป็นการขัดเกลาจิตใจนี้เองให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นโดยสติสัมโพชฌงทำเอาวิยะสัมโพชฌงและมันเกิดเป็นวิยะสัมโพชฌงขึ้นจึงจะได้ปีติความหลุดลืมใจปีติสัมโพชฌง ได้ความสงกบกายสงบใจปัจจาจี่สัมพุทธชงได้สมาธิสัมพุทธชงคือได้ความตั้งมั่นของจิตในกุศลธรรมยิ่งขึ้นทำให้ได้กุเบขาคือความเข้าเพ่งอยู่ในภายในไม่ออกไปรู้ภายนอกรู้การละายอากุศล การอบรมฝ่ายกุศลอยู่ภายในใจเป็นการสงบอยู่ในภายในก็เป็นอุเบกขาส ม, มุทชงและเมื่อเป็นหลังนี้แล้วจิตจึงบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์จิตเป็นธาตุรู้ก็จะทำให้ความกำหนดรู้จักทุก รู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความลทุกขอันเป็นอริสัต์นี้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป